ลองไปทํากันคำพูดที่พูดต่อยเนียงก็เป็นความรู้สึกฟังตกใจบ้างไมู่กใจบ้า ง, ก, างก็ฟังไป เมื่อกี้เราสวดกันการลมามัสูตนความเชื่อความไม่ควรเชื่อก็ต้องมีการเล ร, รู้มีสติลงไปด้วยก็การละมสัสสตน บางทีไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของความไม่ศรัทธาถึงดีก็ไม่ทำถึงดีก็ไม่เอาอันนี้อคติถ้ารู้สึกตัวเกินไหวเดินอย่กลมตังสร้างจังหวะหรือว่าฝึกวิธีการใดก็ไนดะ้มันมีเยอะนะรูปแบบปฏิบัติ เจอมาที่นี่เราฝึกแนวหลวงปู่เทียนจับตัวสติเป็นเราเห็นว่าสติมันถูกหยิบมาใช้ความเชื่อความไม่เชื่อด้วยนะการเครื่อไ้รู้สึกตัวนะถ้า รู้แทนความคิดเห็นความคิดหลวงพ่อเทียนก็พูดถึงว่าเท่ากับมันได้ต้นทางต้นทางของมรรคผลนิพพานหลวงพ่อมื่เขียนนั้นบอกว่าได้หลักได้หลักของการปฏิบัติการไดนรู้รูปทำนำทำ ม, มนั้นเข้ากระแสะเป็นกระแสะของมรรคผลหรือว่า ในช่วงที่ปฏิบัติเริ่มรู้รูปนามแล้วก็ยังไม่ทันความคิดนักม่นจะเป็นอารมณ์วิปสัสสุนมีวิปัสสุนเย็นวิปสัสสูนร้อนวิปสัสสูนร้อนก็คือมันก็ไม่มีสติอิู่บบตัวสัญญาจำได้หมายรู้หรือว่าการปรุงแต่งที่เป็นความบริสุทธิ์มาใช้ มันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะพอทความได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้มันก็มีแล้วตัวสติมันก็มีแล้วเราไม่ได้มาหาสติสติมันมีอยู่แล้วเป็นแค่ความคิดอารมณ์มันมีความรุนแรงมีนิสัยมีอุปนิสัย ม, มีการติดยึดเนระากา็ต้องเราไม่ได้กลับมาดูนะในอาการเหล่านั้นที่กำลังปรากฏเราก็จึงฝึกหัดสตนะิที่มันมีอยู่นะแต่มันเชื่องใจมันเฉืนะ่อยให้มันว่องไวนะรู้ตะละรณะตละครั้ง เป็นปัจจุบันรู้ของจริงที่มันกลังแสดงออกหยาบสุดการเดินจังกรมการ น, นั่งสร้างจังหวะทุนี้นทุกครั้งที่สัมผัสรู้ความรู้สึกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถึงไม่เชื่อขนาดไหนก็ตามก็ต้องเชื่อมีศรัทธาฟังคนอื่นมามาก แต่ก็ไม่เหมือนกันมันเห็นในตัวพอได้มีการ ก, กทําลงไปกรรมฐ า, านมันก็เห็นที่พึ่งนะที่ตัวเราเพึ่งตัวเราเราเคยเพึ่งคนอื่นแล้วก็พึ่งมาตลอดทีพึ่งยังก็ต้องบันไห ก็ต้องพัดพลากต้องจากสิ่งนั้นไปก็วันไหวรู้สึกไม่มั่นใจกลัวรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เรามีความรู้สึกตัว mm hmm. เกินไวรู้สึกแล้วก็ทำเป็นด้วยนะ mm hmm. ก็เห็นว่าเออมันก็พึ่งเทยังได้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับ สิ่งนั้นดีหรือสิ่งนั้นไม่ดีมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับเรารู้หรือไม่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคือรูปธรรมนามธรรมที่มันแสดงออกมาเป็นธรรมที่คู่โลกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมีมืดเดี๋ยวมีสว่าง อย่๋ยมีหิ ว, วมีอิ่มเดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์เกิดจากตัวรู้กับไม่รู้ถ้าเรารู้สึกตัวมันกได้หลักใจอะยิ่งเห็นความคิดนั้นแน่นอนเลยมันบอกถึงทิศทางทิศทางมันไปทางสว่างสว่างไปทางที่มัน ปกติกายก็ปกติวาจาปกติจิตใจก็ปกติแต่ว่าภายนอกวัตถุอาการต่างๆที่แสดงออกมากิริยาอาการที่แสดงออกมานะตรงนั้นเราห้ามไม่ได้แต่ว่าการที่ใจของเรามันรู้เท่ารู้ทันในการเหล่านั้นตัวนี้มันจัดการได้ ตรงนี้มันทําให้เราได้มีความเป็นอิสะระเราก็พ้นภัยนินทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีการคิดการปรุงการปรุงแต่งของกัน5ที่มันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์แต่ว่าเรามองไม่บริสุทธิ์พอเรารู้สึกตัวเราเห็นเป็นความบริสุทธิ์ธรรมชาติที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยปัญญา อยู่รับประทานอาหารร้อนงาบน้ำยุงกัดกระไรยุงที่สำคัญก็คือความคิดมันปรากฏขึ้นมาเราก็รู้ทันตัวละเอียดคิดเราไปเป็นตัวกิเลสได้เป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลส ถ้ไม่ปรุงมันเป็นแค่ความคิดนะที่เกิดดับเราห้ามมันไม่ได้แต่ว่าเรารู้ทันมันได้ดูกายเคลื่อนไหวฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเห็นใจมันนึกมันคิดจิตใจที่มันนึกมันคิดมันไม่ถึงขั้นปรุงแต่งพอสติมันระลึกได้ทัน ระลึกนึกคิดปรุงแต่งมันเคยอยู่กความคิดมันก็รู้ความคิดมันก็ดูความคิดสามลักษณะเนี่ยมันมันดูมันก็เห็นมันเห็นก็รู้ว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันก็หยิบมาใช้หรือว่าตัดทันทีคิดถึงอดีตเป็นสุขคิดถึงอดีตเป็นทุกข์คิดถึงอนาคตเป็นสุขคิดถึงอนาคตเป็นทุกข์ คิดถึงปัจจุบันแต่ว่าเป็นวิภาวิจารมันก็คือตัวความคิดเมื่อถมก็คิดเป็นวิตกวิจารมันก็คือตัวความคิดห้ามมันไม่ได้เกินอยู่กําลังสติปัญญาที่ไม่มีพลังมากน้อยแค่ไหนมันมีเนื้อหาเนื้อหาของสติเนื้อหาของ ศีลสมาธิปัญญาเลียดอ่อนประณีจอย่างไรนะก็เรียกว่าสติขันหรือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาพวนีมันมีสมาธิศีลเป็นเรื่องกายวาจาสมาธิเป็นเรื่องของจิตใจ เมือ่อใดปลากรออกมาจากการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหรือครูความรู้สึกตัวเรา ก, ก็จึงมาฝึกหัดกันให้มีสติสติที่มันมีนะให้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเร็วขึ้นวองไวขึ้นให้มีสติระลึรู้ระลครู้นี่พุ่งเหมือนลูกธนูเหมือนลูกศรนในการเปรียบเทียบอย่างนี้ตรงไปตรงมาพุ่งสู่เป้า ถาเป่าของวิชากรรมฐานนั่นเรากำหนดเจตนากําหนดก็พุ่งตรงสู่เป้าที่เราเคลื่อนไหวมันจะไปอยู่มันจะไปรู้มันจะไปดูอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสติปัฐานฝึกใหม่ๆมันจะเป็นอย่างที่มันเป็นนะบางทีมันก็เผลอบ้างบางทีมันก็เพงบ้าง มีการต่างๆหนักบ้างเบาบ้างมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันกทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่านั่นนะมันคือการปรับสมดุลให้จิตมันเข้าสู่สภาวะของความเป็นกลางเรีย ก, กว่าความพอดีความสมดุลความเป็นปกติ มันกำลังปรับจุดนี้จะมีการเก็บอารมณ์เข้มกรรมฐานเข้มอย่างที่กำลังกางเต็นท์กันอยู่นะี่วันนี่ไม่ใช่แฟชั่นแน่นอนไม่ใช่แฟชั่นแต่มันจะเป็นลักษณาของการปฏิบัติที่ทำให้เกิดความคมชัดขึ้นมาคมชัดในการดูกายดูใจนะ เหตุาการณ์แบบตรงๆประชดหน้ามีความง่วงเกิดขึ้นมามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมามีความเบื่อเกิดขึ้นมามีความขี้เกียจขี้กลานเกิดขึ้นมามีความตือนรู้โล่งปร่งเบาผ่อนคลายสบายเราจะได้มีประสบการณ์เลือกเป็นไม่จิตใจมันมีนะ สภาวะของความเป็นกลางปรากฏตัวรู้เฉยๆรู้ซื่อๆปรากรดสักตว่าปรากฏเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินกลิ่นสักว่ากลิ่นรสสักว่ารสปรากฏออกไม่ตั้งความคิดก็สัจตว่าความคิดตัวนั้นเราก็ได้ได้ประโยชน์จากการวาง งานวางการวางความดีเสียสละเวลามาฝึกฝนตนอบรมจิตพัฒนาจิตจิตตภาวนาโดยอ้างเอากิจกรรม40วันมาเป็นตัวปกป้องทำให้เราเหมือนกันว่ามีสิทธิที่จะเดินในรูปแบบนั่งในรูปแบบอย่างต่อนเนื่องยาวนาน 40วันนะ่ถือว่าให้ผลให้ผลสูงด้วยทำไ้ได้ทำเล่นๆกันนะแต่เชื่อว่าคนมาคงไม่มากเพราะว่าที่วัดป่าสุกตนี่เราก็รับเอาวัฒนธรรมการจเจริญสติแบบ40วันนะ่มาจากวัดที่อยู่ในสายงานแนวหลวงอูเทียน วัดปักชมหรือว่าวัดคอนสารวัดอะไรจําชื่อไม่ได้วัดของจา์วิมลวัดเขาคงคาสี่สิบวันมันถือว่าเป็นพาละแต่ว่าหลวงพ่อเมขเด่นมีเมตตาถือว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกสี่สิบวันก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันไป ต่างคนต่างเพึ่งตัวเองกันไปไม่ต้องมีพาละกะับวัดกับว่าไม่ต้องมีพาละเกีย่ยวกับเรื่องของบุคคลภายนอกที่เขามองว่าบางทีคนปฏิบัติจะเปคนที่ขี้เกียจขี้คานมีความขี้เกียจสูงก็หลบหลบีลบลกห ล, ลีกการงานมาใส่เยอ่หาหลับผ้านอนอยู่เต็นหาอยู่หากิน มันก็มองเป็นนากุศลอย่างนั้นวันผู้ปฏิบัติก็ต้องพอสมควรทีเดียวตื่นตัวรู้ข่าวรู้เารเารู้กระแสของสังคมเพราะฉะนั้นการมีสี่สิบปันที่วัดป่าสุต่อจึงต้องพอสมควรทีเดียวต้องมีอารมณ์กรรมฐานนะพูดง่ายๆล่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอารมณ์กรรมฐานก็ค่อยๆไปเดี่ยวคนสองคนก็ได้เห็นเป็นประจําทุกปีจึง พิสูจน์เป็นตัวพิสูจน์เป็นตัววัดมาวัดป่าสุโตไปแล้วโดวยดีๆมันก็ไปแล้วโดวยดีจริงๆมันมีละนาของทุขติเป็นอบายภูมิเป็นสุขติแต่ามีสุขโตหรือไปแล้วเดืดีเป็นนิพพานดีเดียวเป็นบัดดีๆเคลื่อนไหวรู้ซึงเป็นนิพพาน นี่ผ่านคือความเป็นปกตินั่งเดินยืนนอนด้วยความเป็นปกติถ้าเจอสภาวะธรรมตรงนี้จะจำมาไว้ให้เม็นๆมันจะได้พึ่งขณะปฏิบัติกรรมฐานนะในรูปแบบนอกรูปแบบในสถานที่นอกสถานที่ในกิจกรรมนอกกิจกรรมจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีความรู้รู้ตัวในโลกนี้มีถูกมีพิษ มีเหตุมีผลมีการเปรียบเทียบการที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เนือบนเหนือบาปเหนือกุศลหกุศลก็ต้อง ป, ปกติจำสภาวะนี้ให้เม่นๆเมื่อใดชีวิตใช้ชีวิ ต, ใ ช, ชวตใช้การเคลื่อนของกายวาจาใจเคลื่อนไหวแต่ละขณะของจิตมันก็ไม่มีภัย เป็นความปลอดภัยเรียกพระอริยะนะอริศัตรูยะก็คือระยะระยะที่มันห่างมันก็ห่างศัตรูเรียกพระอริยะพระก็ใจดีผีก็ใจร้ายเวลาปฏิบัติเราเห็นน้ำใจดีใจร้ายบางทีมันคิดค้นมันไม่ต้องมาค้นคิดอะไร พระพุทธเจ้าท่านคนคิดไว้แล้วหลักของสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องมาคำนึงคำนวณดวงดาวอะไรเราก็สัมผัสรู้สึกทุกๆขณะทีท่สัมผัสรู้สึกกระทบรู้สึกนไม่ได้ไหลไม่ได้ลืมไม่ได้หลงพรมันรู้สึกเพราะฉะนั้นสึกก็จึงเป็นลนักษณะของการสัมผัสการกระทบเป็นอาการคำว่าสึกเนี่ยรู้ มันก็เป็นสภาวะสภาวะของสติที่มันตื่นขึ้นมารู้สมมติมันรู้อะไรมัรู้ตัวมัรู้ทั่วพร้อมไม่ทั่วพร้อมในเรื่อ ง, องปัญญามันเป็นหมดแล้วรู้สึกตัวนะสีนสมาธิ ป, ปัญญาแต่วมันรู้อะไรถึงจะเป็นปัญญาพุทธก็ต้องรู้กายรู้ใจนั่งเดินยืนนอนตอนจะตื่นจะหลับอมันจะเป็นกรรมฐานน กรรมฐานกรรมมัดฐานเอาการกระทําผูกมัดเอาไว้ที่ฐานฐานกายนะั่นแหละเป็นหลักของการปฏิบัติกายมีเวนากายมีจิตตัวชีวิตกายกับจิตอยู่ด้วยกันตัวจิตนี่คิดเก่งแล้วก็มีธรรมชาติทางตากระทบปลุกหูกระทบเสียงวุ่นคิดนึกปรุงแต่งโลภโกรธหลงรักชังในสติสีสมาธิปัญญาของมงงเหงาเหานอนนันก็คือสภาพธรรมทั้งนั้น เป็นสภาว่าเดี๋เราจะเลือกใช้ตัวไหนอย่างไรนะมันเกิดขึ้นมาทำํำไมเราไม่ยึดมันเป็นความบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไรหรือว่าเกิดขึ้นมาเราก็หลงเพลอเข้าไปเป็นตันหาประธานทยานอยากแล้วก็ยึดจนทำมันเป็นสังโยชน์มันเป็นยังไงสังโยชน์คือยางเหนียวเพราะฉะนั้นการยึดติดในยางเหนียวคือรูปธรรมนามธรรมกายพวกนี้มันก็เป็นลนักษณะของ ผู้ที่ฝึกสติก็จะต้องเดินผ่านวางกายวางใจนะเบื้องต้นอะไรมันจะได้ผ่านมันจะวางยังไงก็ต้องมีประสบการณ์สักหน่อยเรียนผิดเรียนถูกมันแก๊กเก่งเพ่งจ้องมันเผลออันนี้คือปกตินิสัยของปุถุชนปกตินิสัยของพระของพระอริยชนใดชนหนึ่งคือปกติที่รู้สึกตัวรู้เฉยเฉยเฉยรู้ มีเฉยซื่อบือ้อนี่เป็นของปุถุชนแตเฉยรู้มปนของผู้ที่ฝึก ป, ปฏิบัติธรรมฝึกหัดปฏิบัติธรรมฝึกสติปัฏฐานสติปัฏฐานไม่ใช่สติยึดฐานเพราะนั้นมั น, ม, นมันรู้สึกที่กายมันก็ปัดปัดออกไปมันไม่ใช่ปักที่ฐานปักคือกอไก่หรือว่ายึดเข้าไปในฐานไม่ใช่แต่มันเป็นสติปัตตานาเนี่ยสติปัด รู้แล้วออกมาไม่ใช่รู้แล้วเข้าไปถ้ารู้แล้วเข้าไปก็ติดรู้เวลาเข้าไปทางตามันก็ยึดทางตาเข้าไปทางหูก็ยึดทางหูเข้าไปทางจมูกก็ยึดทางจมูกเข้าไปทางสัมผัสทางกายก็ยึดทางกายเข้าไปในความคิดก็ยึดเอาความคิดมันก็มีทั้งอุปทาน เรประทานเข้าไปแล้วก็อิ่มไหมอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นทุกข์บางทีก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นก็จึงไป น, น, น, นะรู้เป็นปัญญาตรงนั้นเราจะรู้ปล่อยรู้วางเป็นสักแว่าอันนี้มันจะเป็นลักษณะของพัฒนาการของผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันนึกมันคิดแล้วมันก็ได้ต้นทางตรงนั้นคงจะเดินแบบเบาเนื้อเบาตัวเป็นอิสระทีเดียว รู้เลยว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อแบบโง่หลงงมงายอยู่ในโลกของสมมุติก็ไม่ใช่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่ว่ามันสะทนรู้ถึงเหตุถึงผลอย่างไรทําเหตุอย่างนี้มันจะได้ผลยังไงผลอย่างนี้เกิดจากเหตุอะไรจนกทัางมันอยู่เหนือเหตุเหนือผลว่าโลกนี้ไปเอาเหตุผลก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันมีแต่คำตอบของการปฏิบัติ ไม่ได้อ๋อคำต่อของการเป็นบัตรไม่ใช่เอเอเอาร์อะไรไม่ได้งง ง, งหรือว่าสุ่มสุ่สดนเดาไม่ใช่จึงไม่ใช่เรื่องการคํานวณค่าคะแนนดนเดาเรามาพูดให้เชื่อกันไม่ใช่แต่เรื่องของใครของเราที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวในรูปแบบนอกรูปแบบแล้วก็ทําเป็นแล้วก็พูดเหมือนกันจิ่งเดียวกัน มองหน้าก็รู้ใจมองตาก็รู้ใจยิ่งพูดออกมามันยิ่งชัดเจนแล้วพูดถึงเรื่องอะไรตรงไหนพอมันเดินมาเหมือนกันนทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็โจงมือกันไปคนตาดีก็จงคนตาดนะีเคยผ่านประสบการณ์มานะก็โจงกันไปนะตรงนี้อาจจะมีกรรมฐานเข้ม ที่วัดปาสุขโตโอมีหลวงพ่ออมเขียนท่านก็มีความชัดเจนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมศีลธ ร, รรมและในเรื่องของปณิธาสภาวธรรมต้อมีความชัดเจนชัดเจนในเรื่องของการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวพอหลังจากที่ท่านรู้มาท่านก็นใช้ศาสตร์ใช้ศิลแล้ในการที่จเผยแผ่ศาสนายอย่างเช่นในวันนี้ต้องเอาไ ว, นว้นะียลเป็นคําพูดของหลวงพ่ออมเขียนนะไปติด สองแผ่นใหญ่ๆแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้เลยทานใจศิลปะในการเผยแผ่ดึงคนเข้าวัดมาบวชป่ากันจำนวนห้าแสนต้นให้เป็นเจ้าของกันแบบถาวรเลยดูแลต้นไม้แบบถาวรเป็นเจ้าของอย่างน้นะเอาต้นไม้มาเป็นเพื่อนก็เลยว่าไปทำไบเนลมามีคุณวิชากับ ครอบครัวพากันตลอดตลไปทำมาเมื่อวานก็ไปดูแล้วที่ติดมีอยู่ก็คือตรงปากซอยเนะยมันมีเหล็กใหญ่ๆอยู่ดันหน้าก็ติดขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเราก็จะติดดันหลังหันหน้าไปทางไหนก็ัะเวลาคนเลี้ยวผ่านตรงแยกก็าอาจจะได้สังเกตพอดีละสี่คูณสามาตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปติดกัน อันนี้ก็เป็นศาสตร์เป็นศิลป์เมื่อท่านรู้กายรู้ใจรู้เนื ร, รู้ตัวมีสติปัฏฐานท่านก็ใช้าศาสตร์ใช้ศิลป์คธรรมใช้ใธรรมทีรธรรมโยงก็หาตัวพระสทัศภาวะท่านทำงานทั้งวันทำอะไรก็ตามแต่ท่านแสดงพลังถึงความนิ่งนิ่งสุขุมรอบค้อบพรงนั้นนะมีปัญญาในการทำงานทำการต่าง อย่างเมื่อสองวันก่อนเคยพูดถึงว่าเราไมปนึกว่าปัญญาที่ท่านใช้เป็นอย่างไรก็อย่าหลายครั้งแลที่ท่านแสดงออกเป็นฤทธิ์ลักษณะนี้ยก็ว่าฤทธิ์ทีออ่หมายถึงว่าทําอะไรแล้วก็ทำได้สําเร็จนท่านนิ่งๆเหมือนกันไม่เป็นหลายคนก็ว่าเป็นหลวงตาแก่ๆแต่เราเห็นแล้วเออความคิดระดับนี้ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาวิดกันอย่างเช่นว่าเราคิดแบบสมบมติบัญญัติแบบวิชาทางโลกนะ ที่เคยมีประสบการณ์ผ่านมานะของเราแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าถูกหมายถึงว่าผิดแต่หมายถึงว่าเป็นที่ยอมรับได้ถ้าพูดคุยถกเถียงในเรของวิชาการเราก็ใช้ลักษณะของความคิดสมมติบัญญัติการขุดถลุมการเท ค, คอนกรตีตการใส่น้ํายาการตรวกหรือว่าการที่จะทําให้เกิดความแข็งแรงถูกต้องาตามหลักวิชาการ ปราก็ว่าพอมาดูีกทีท่านใช้ความคิดที่ใช้วัสดุที่มีอยู่จริงตามท้องถิ่นและธรรมชาติท่านใช้ปลอกท่อประมาณหนึ่งเมตรขุดฝังลงไปปลอกละพันพั0 3อพนาเราก็ดูอืมนี่เป็นภูมิปัญญาที่ดีแล้วก็จบแบบง่ายๆะว่าใช้เงินนิดหนึ่งแต่ว่าจาังหวะของการที่ ยอดโยมหรือวัดป่ารามแล้วก็มีเงินอยู่จํานวนหนึ่งก็เออมันก็เหมาะสมที่เราจะคิดแล้วเอาเงินมาใช้กันอย่างนี้ท่านก็มีภูมิปัญญาของท่านเราก็ดูแล้วก็ยอมรับได้คําว่ายอมรับได้ก็คือไม่เป็นที่ติชินไม่เป็นที่กระหาหรือว่าโลกาวชะเราเห็นแล้วอ๋อมันผ่านทําอะไรแล้วมันผ่านทําอะไรแล้วมันผ่านอันนี้เป็นอนะไรไม่เป็นกรรมทําแล้วเป็นธรรมชาติทําแล้วนได้ประโยชน์ เกิดประโยชน์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอันนิสงจากการที่ท่านได้เคยพูดว่าท่านนั่งปฏิบัติธรรมพรอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศาสนาไปหาหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนก็เขย่าตัวถามว่ารู้สึกตัวไหมเสร็จ แ, แล้วท่านก็ใช้คำว่าอยู่มาหลายวันนะสิบวันเนนมาถามเรื่องรูปนามไม่รู้ตอบกับเนนรไม่รู้ เนนกายามอธิบายใหญ่บรรูปนามไปอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าไม่ต้องพูดหรอกเน้นเดี๋ยวจะทําเองจะทําเองเนี่ยนะก็แสดงว่าท่านทําเองมากต่อมาท่านก็มาไปตะต่ออีกสิบเอ็ดวันแล้วท่านก็รู้เรื่องรูปนามตรนี้เราฟังแล้วเราก็เ อ, อสนใจนะท่านใช้เวลาอยู่สิบเอดวันท่านรู้สภาวะรูปนามรู้ว่าบนเป็นไงบาปเป็นไง่ พุทธศาสอนอเรื่องอะไรในกายในใจของเรามันแสดงสภาวะออกมายังไงเวลาสติมันเกิดขึ้นมานั้นเป็นยังไงหลวงปู่เทียนเป็นกายเมตต์เป็นครูบาอาจารย์ท่านมาบอกถึงว่าสภาวะของไม่ใช่ข้างในไม่ใช่ข้างนอกอยู่กลางกลางมันเป็นยังไงเวลาเคลื่อนไหวรู้สึกท่านจําสภาวะได้นะแล้วท่านก็นมาบอกกับพวกเราไม่ลืมนะผ่านมาสี่สิบปีท่านก็นไม่ลืมสภาวะพวกนี้ เป็นรอยเกิดขึ้นมาใต้ต้นขาขี้หมูไงท่านจําไม่ลืมนะใต้ต้นขาขี้หมูขาขี้หมูเป็นเพื่อชนไหนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่ใต้ต้นขาขี้หมูแล้วก็เป็นสภาวะที่มันแสดงออกมาจริงเรื่องรูปน้ำปรากฏอัตมาก็ไม่ลืมเหมือนกันกุติสิบสามไอ้สไลยที่มีแทงน้ํำนะไม่ลืมสภาวะที่มันปรากฏขึ้นมาเนะี่ยไม่ลืมอีกจุดหนึ่งก็คือกุติอโศกา กุฏิสิบห้านี่จําไม่ลืมรอยมันเป็นยังไงนะ่ะจําไม่ลืมมันไม่มีลืมหรอกเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาวมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขอชีวิตไปอันนี้หลวงพ่อมาเขียนท่านก็เล่าให้ฟังเราก็อืมมันก็ตรงกันเนี่ยเราก็เพ็นแต่ท่านเป็นท่านไม่เคยพูดนะกลัวที่กลัวเวลาฟังแล้วเราจะจําสภาวะแล้วบอกว่ารู้แล้วบางทีเล่าให้ฟังแล้วบอกว่ารู้แล้วก็เลยไม่ไปปฏิบัติกันกลายเป็นจําไม่ไพูดไปคุยอย่างเงี้ย อันนี้นการอันตรายมันกลายเป็นอารมณ์ของวิปัสโนโ ว, วิปัสลาดมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราต้องลงมือกระทํากันแล้วก็เงี่ยหูฟังครูบาอาจารย์ดีๆถ้ามีร่องรอยอะไรบางขความเขียนให้ชัดเจนแล้วกันท่านไป บ, บัดต่อนะจนั้งถึงสภาวะแก้วแตกแก้วแตกขณะที่นั่งรับประทานอาหารเพรนั้นเวลารับประทานอาหารนะอย่าพูดอย่าคุยกันพยายามนั่งดูตัวเอง ท่านทําไปทําไปละวขันห้ามหันหลังแยกมันไม่จับมือกันต่างคนต่างหันหลังอันนั้นคือความบริสุทธิ์เราเข้าใจทันทีออกขันหบริสุทธิ์เมื่อก่อนมันโปรงมันแต่งมันร่วมกันตอนนี้มันตัวใครตัวมันรูปธรรมอย่างเงี้ยสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามันแยกกันเป็นความบริสุทธิ์ของใครของมันท่านเราให้เราฟังแล้วท่านก็แสดงออกทุกวันนี้ก็คือ ให้ทุกคนได้ทําเองมาให้ท่านทำอันนี้นบอกถึงตัวศรัทธาตัวศรัทธาที่มีอยู่ในการปฏิบัติถ้าเรามีศรัทธามันก็พาตัวเองกระทำํทำกรรมาฐานเคลื่อนไหวรู้สึกตจึงไม่ต้องมีการเกณฑ์กันไม่ต้องมีการคอยตะล่อมคอยประกบเหมือนกับที่อื่นๆที่นี่จึงเป็นแล้วนะของการปล่อยให้เราได้แสดงออกตามธรรมชาติ ปฏิบัติธไปกับกธรรมชาติอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทาให้สังเกตนะมีเมื่อวานเขากลับไปเขาบอกว่ามีกลุ่มนึงก็มาลาตอนเช้าเขาบอกว่าตอนที่มานะเขาก็ไม่อยากมานะก็ไม่อยากมาแล้วพอเมื่อวานเขากลับนะเขาก็ไม่อยากกลับก็พูดถึงว่าเขาได้มาเห็นความจริงเป็นคนหนุ่มที่พูดนะก็ามาเห็นความจริง ก็ม่เคยเห็นความจริงของชีวิตลักษณะที่เราวัดป่าโสตโตได้พากันทําได้ชวนกันทำํำก็คือเห็นการเคลื่อนกันไหวเห็นใจเวลามันคิดก็ไม่เคยเห็นสภาวะความจริงแบบเนี้เขาบอกพอเข้ามาเขาไม่อยากมาพอกลับเขาก็ไม่อยากกลับแล้วก็ในขณะเดียวกันนักปฏิบัรรมฐ า, านส่วนใหญ่ที่กระตือล้นอยากมามันก็อยากกลับเลาเหมือนกันนะ เมื่อยากมาก็ว่าฝันมาสร้างมโนภาพมาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน่้นในเพราะใน facebook เว็บไซต์เนี่ยมันมีภาพความงามทั้งหมดความดีทั้งหมดมันจะอยู่ในนั้นนะแต่พอมาแล้วเราจะเห็นความจริงของวัดป่าสุโกโตนะนีมันก็เหมือนกับโลกใบนี้แหละตัวตวไปมันจะต้องมีสุขมีทุกข์มีได้ดั่างใจไม่ได้ดั่งใจมีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่างมีหิวมีอิ่ม มีสัตว์สาราสิ่งอยู่ด้วยกันเป็นธรรมชาติมีได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจตอเ น, นี้มันจะทำให้เราอยากมาแล้วก็อยากกลับได้เหมือนกันเราก็จึงไม่ต้องวาดฝันเอาไว้ อ, อะไรไว้ทั้งนั้นก็คือเป็นเรื่องของอยู่ไปวันๆแล้วเคลื่อนไหวรู้สึกใช้หลักครรมฐานรูปแบบของการปิบัตให้มากตัวเยอะมากได้ช่วงเก็อารมณ์เนี่ยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะขยายผลไปเดินไปไหนมาไหนแล้วว่า ไปดื่มน้ำหรืไปเข้าห้องน้ำไปรับประทานอาหารจะไปไหนมาไหนแล้วก็สมรวมระว่าระวังไว้โดยเพราะการพูดคุยนะการพูดการคุยให้น้อยนะการเก็บอารมณ์อย่างเงี้ย น, นะเราก็สมควรเก่เวลาตอนนี้พูดมาประมาณ35นาะทีกลับาพา พ, พร้อมกัน